เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตาการุณาใจบุนใจผูุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14กันยายนพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเสริมสร้างความสุขทางใจ ที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายเพราะภาชนะที่จะรองรับความสุขของใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าภาชนะที่จะรองรับความสุขทางร่างกายถ้าร่างกายเปรียบเหมือนตุ่งน้ำใจก็เป็นเหมือนสระน้าปริมาณน้ำที่เราจะสามารถ ใส่เข้าไปในตุ่มกับใส่เข้าไปในสระนี้มีความแตกต่างกันมากปริมาณน้ำในตุงก็ได้เพียงเล็กน้อยแต่ปริมาณน้ำในสระนี้ได้มากกว่าร้อยสิบเท่าหลายร้อยเท่านี่คือความแตกต่างระหว่างความสุขทางร่างกายกับความสุขทางจิตใจความสุขทางจิตใจนี้ เติมได้มากกว่าความสุขทางร่างกายถึงแม้ว่าเราจะเติมความสุขทางร่างกายมากเพียงไรก็ตามแต่ปริมาณของความสุขทางร่างกายก็จะได้มากเพียงปริมาณของน้งในตุกแต่ความสุขทางใจเราเติมเข้าไปได้มากเท่าไหร่ก็จะ ได้มากขึ้นไปจนกวา่าสระน้ำจะลน้นสร ะ, ะน้ำจะเต็มเช่นการรับประทานอาหารเราจะรับประทานอาหารราคาถูกหรือราคาแพงผลก็เกิดจากความอิ่มของร่างกายก็มีความสุขเท่ากันคนจนกินข้าวก็อิ่มมีความสุข คนร่ำรวยกินข้าวราคาแพงๆก็อิ่มแล้วก็มีความสุขแต่ความสุขของทั้งคู่นี้เท่ากันเพราะความสุขผ่านทางร่างกายมันเหมือนกันไม่ว่าจะใช้สิ่งที่มีราคาแพงหรือราคาถูกมันก็ได้ผลเท่ากันเช่นเสื้อผ้าจะใส่เสื้อผ้าชุดละร้อยสอรย เนื้อใสชุนละเหมินสองห0ื่นมันก็ทําหน้าที่ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขเหมือนกันหรือความสุขที่เราได้รับจากการไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆความสุขที่เราได้รับก็มีปริมาณไม่มากเท่ากับความสุขที่เราจะได้รับ จากการมาทำความสุขทางใจเช่นสมมุติว่าเราเอาเงินก้อนนึ่างนี้ไปเที่ยวกันไปติไปกินไปเดืมไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเราก็จะได้น้ำในระดับตุ่มน้ำแต่ถ้าเราเอาเงินก้อนเดียวกันนี้มาทำบุญทำทานเราจะได้ความสุขระดับ สนาจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านี่แหละคือสิ่งที่พวกเราอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ท่านที่มาทำบุญอยู่เรื่อยๆนี้คิดว่าคงจะรู้ว่าเวลามาทำบุญทําทานความสุขที่ได้รับนี้ดีกว่ามากกว่าความสุขที่ได้รับจากการไปเที่ยวไปดูไปฟัง ไปดื่มไปรับประทานแล้วก็มีความาถาวรต่างกันความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสุขเพียงเดียวเดียวในขณะที่เราได้สัมผัสแต่ความสุขทางใจที่เราได้ทําบุญทําทานนี้แม้จากเวลาผ่านไปหลายวัน เราก็ยังมีความอิ่มเอิบใจอยู่ทุกครั้งที่เราได้คิดถึงบุญที่เราได้ทำเอาไว้นี่คือความแตกต่างที่เปรียบเทียบให้เห็นแล้วนอกจากนั้นความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกายก็เป็นความสุขที่เราเอาติดตัวไปไม่ได้เอาไปกับใจไม่ได้เวลาที่ร่างกายไป ความสุขต่างๆที่ได้ผ่านทางร่างกายนี้ก็จะหมดไปแต่ความสุขที่เราได้จากการสร้างความสุขทางใจเช่นมาทาบุญทาทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมความสุขต่างๆเหล่านี้เราเอาติดไปกับเราได้เป็นของเราอย่างแท้จริง และจะเป็นที่พึ่งของเราเวลาที่เราไม่มีร่างกายเป็นที่พึ่งเราจะมีความสุขทางใจที่เราเรียกว่าบุญกุศลนี่แหละเป็นที่พึ่งในโลกทิพในโลกทิพย์ต่อไปเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เราก็ไปอยู่ในโลกทิพย์กันถ้าเรามีบุญมีกุศลมีความสุข ที่จะได้จากการทำทานรักษาสีปฏิบัติธรรมเราก็จะมีความสุขติดตัวไปกับเราเป็นทรัพย์ภายในเป็นอาหารเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความอิ่ม้ํำสำรามีความเพลิดเพลินมีความสุขจนกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่ถ้าเราไม่ได้มาสร้างความสุขทางใจกันไม่ทำทานไม่รักษาสีงไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมใจของเราก็จะไม่มีความสุขถ้าเป็นสระน้ำก็เป็นสระน้ำที่แห้งขอดไม่มีน้ำเวลาใจไปก็จะไปแบบขอทานไปแบบยาจก ต้องไปคอรอรับส่วนบุญส่วนกุศลของผู้อื่นที่เขาจะอุทิศไปให้แต่บุญกุศลที่เขาอุทิศไปให้ก็เหมือนน้ําในขันน้ําในขันเทลงไปในสระมันก็ไม่รู้สึกอะไรไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าไหร่ดังนั้นพวกเราจึงควรให้ความสําคัญ ต่อการแสวงหาความสุขทางใจกันเพราะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่ามีน้ำหนักมากกว่าและเป็นความสุขที่ถาวรกว่าความสุขที่ยาวกว่านานกว่าความสุขทางร่างกายเนี่ยสาเหตุที่คนเราไม่ค่อยมีความสุขกันก็เพราะว่าไปหาความสุขทางร่างกายกันเวลาได้ ได้เสพได้สัมผัสก็มีความสุขพอผ่านไปแล้วก็เหมือนกับคนไม่ได้เสพสุขมาก่อนมีความรู้สึกว่าเวออ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมีความหิวมีความอยากแต่คนที่มาทำบุญนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นทำบุญแล้วจะทำให้ความหิวโหย ห, หายไปความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวหายไป จะมีความปิติมีความสุขมีความอิ่มมีความพอหล่อเลี้ยงจิตใจไปเรื่อยๆ mm hmm. คนทาบุญจึงไม่ค่อยต้องไปออกไปหาความสุขทางร่างกายไม่ต้องไปเที่ยวไปตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ต้องไปเสพโซารายาเมาเสพอะไรต่างๆแบบคนที่เขาเสกัน คนที่เสกเหล่านี้เป็นคนที่ไม่เคยทําทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาใจเข้าจึงแห้งเหมือนกับน้ําแห้งน้ําในสระที่แห้งแต่แทนที่จะเติมน้ําในสระเขากลับไปเติมน้ําในตุ่มน้ําในตุ่มที่น้นอยู่ตลอดเวลาความสุขเขาจึงได้เพียงนิดเดียวได้ขนาดน้ําในตุ่ม แต่ใจของเขากับหิวโหยพ่อใจไม่ได้รับความสุขนั่นเองเนี่ยละพวกเราถ้าเรายังมีความอยากอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเที่ยวอยากเล่นอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอยากซื้อของหรูหราต่างๆนี่แสดงว่าพวกเรากำลังเติมน้ำผิดที่ไปเติมน้ำในตุ่มเติมเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ไม่เหมือนกับเติมน้ำในสระเติงแต่น้ำในตุงปล่อยให้น้ำในสระแห้งขอดใจแห้งใจหิวใจอยากอยู่ตลอดเวลาซื้อมาเท่าไหร่เจอคำว่าพอไหมวันนี้ออกไปซื้อรองเท้าใหม่คู่หนึ่งกระเป๋าใหม่ใบหนึ่งเสื้อชุดหนึ่งโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเดี๋ยวเครื่องนี้ก็อยากจะออกไปซื้อใหม่ ตอให้ซื้อมาเต็มบ้านล้นบ้านความอยากจะซื้อของก็จะไม่มีวันหาดไปเพราะว่าใจไม่ได้รับอ า, อาหารนั่นเองใจไม่ได้รับความสุขเป็นความสุขทางร่างกายที่เป็นเหมือนกับน้ำค้างที่ตกมาในตอนเช้าพอตอนสายน้ำค้างก็จางหายไปหมดไม่เหมือนกับฝนที่ตกแล้ว ตกหนักแล้วก็ขังอยู่ในดินในแอ่งต่างๆนั่นแนหะฝนตกหนักก็คือความสุขทางใจความสุขที่ได้จากการทำทานความสุขที่ได้รับจากการรักษาศีลความสุขที่ได้รับจากการทำใจให้สงบความสุขที่ได้รับจากการทำใจให้สว่างให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆ นี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะให้ความสำคัญกันความสุขทางร่างกายให้พอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอมีอาหารรับประทานมีเสื้อผ้าใส่สักสี่ห้าชุดมีที่อยู่อาศัยพอหลบแดดหลบฝนได้มียารักษาโรคเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับความสุขทางร่างกาย ต่อให้มีมากกว่านี้กี่ร้อยเท่าความสุขก็จะเท่าเดิมเหมือนกับเติมน้ำในตุ่มพอตุ่มเต็มแล้วต่อให้เติมก็ไปอีกอีกร้อยตุ่มมันก็ได้น้ำเพียงหนึ่งตุ่มเท่านั้นเองดังนั้นอย่าไปหลงกับการหาความสุขทางร่างกายอย่าไปหลงกับการหาความสุขทางตาหูจมูกจิ้นกางพราจะทาให เราไม่ได้มาหาความสุขทางใจกันแล้วก็จะทำให้เราหิวโหยอยู่ตลอดเวลาเวลาตายไปใจก็เลยต้องเป็นเปรตไปเปรตก็คือผู้ที่มีความหิวโหยมีความอยากอยู่ตลอดเวลานั่นเองแต่ถ้าเรามาทำทานอยู่เรื่อยๆมารักษาสีอยู่เรื่อ ย, อยมา นั่งสมาธิทาใจให้สงบอยู่เรื่อยๆมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์เห็นว่าอะไรเป็นสวรรค์อะไรเป็นนรกเห็นว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษกับจิตใจพอเราเห็นแล้วเราจะได้เหล็กเลี่ยง สิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นนรกแล้วเราก็จะเดินเข้าหาสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นสวรรค์กันเนี่ยทางที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราดำเนินกันเป็นทางสู่ความสุขสู่สวรรค์สู่ความสิ้นสุดแลอหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลาย หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แสงสว่างแห่งธรรมนี้ไม่มีใครจะรู้ก็จะทำอย่างที่ทำกันอยู่เป็นส่วนใหญ่คนที่ไม่เข้าวัดไม่ทำทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมนี้แล้วเป็นเหมือนคนตาบอดที่เดินเข้าหากองทุกอยู่เรื่อย เดินเข้าหานรกอยู่เรื่อยๆเดินเข้าหาโทษหาพิษหาภัยอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าตามืดบอดนั่นเองเหมือนคนตาบอดไม่เชื่อคนตาดีไม่ให้คนตาดีนำทางคนตาดีก็คือพระพุทธเจ้าการนำทางก็คือการบอก ทาให้กับเรานั่นเองตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแต่เรามีคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่จะนําพาให้เราไปสู่สวรรค์ไปสู่การสิ้นสุดของกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดพวกเราจึงควรเสริมสร้างศรัทธาขึ้นมา พยายามเข้าหาพระธรรมคําสอนอยู่เรื่อยๆเพื่อเวลาเราได้ยินได้ฟังเราจะได้เกิดศรัทธาเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นเหมือนกับเพชรนินจินดาเหมือนกับเวลาที่คนเขาเอาเพชรออกมาโชว์ให้เราดูนี่แหละเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พอเราเห็นเพชรที่สวยงามแล้วเราก็อยากได้ขึ้นมา เราก็จะมีศรัทธาที่จะทําตามคนที่ได้เพชรมาว่าเขาได้เพชรมาด้วยวิธีใดเท่น้นเราถามก็ว่าไปเอาเพชรนี่มาจากไหนเขาก็บอกว่าไปตรงนู้นไปขุดตรงนู้นขุดได้เดี๋ยวก็จะได้เพชรขึ้นมาเยอะแยะพอเรารู้ว่าที่ไหนมีเพชรเราก็ไปตรงนั้นเลยพอเราไปขุดเราก็จะได้เพชรตามที่เขาบอก ชั้นใดผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัตินี้เป็นเหมือนเพชรนิลจินดาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อจิตใจของพวกเราเพราะว่าจะทาให้จิตใจของเรามีความสุขอย่างสูงสุดเป็นเป็นความสุขอย่างแท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรพอพระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าอยากจะได้ความสุขอย่างนี้ก็ให้ไปทางนี้เดินไปตรงนี้ไปถึงตรงนี้แล้วก็ให้ขุดลงไปขุดลงไปแล้วไม่นานก็จะได้เพชรขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นมาภายในใจต้องฟังเทศฟังธรรมอยู่ได้เรื่อยจนเกิดความเข้าใจจนเห็นคุณค่าของผลที่จะได้รับจากการ ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อพระเจ้ามีใครอยากจะทุกข์บ้างไหมมีใครอยากจะแกะ่อยากจะเจ็บอยากจะตายกันบ้างหรือเปล่าไม่มีใครอยากจะทุกข์ไม่มีใครอยากจะแกะ่ไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากจะตายกันแต่ทำไมต้องมาเจอแต่ความแก่ความเจ็บความตายกันอยู่เรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีก เจอกับความทุกข์ต่างๆอยู่เรื่อยๆเวลาสูญเสียคนที่รักไปก็ทุกข์เวลาสูญเสียสิ่งที่รักไปก็ทุกข์เวลาไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็ทุกข์นี่แหละเราเดินเข้าหากองทุกข์กันเพราะเราไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาจากคําสอนของพระพทธเจ้าถ้าเราศึกษาแล้วต่อไปเราก็จะหูตาสว่าง เราก็จะเกิดความศรัทธาที่จะทำตามที่พระทธเจ้าทรงสั่งสอนพะพเจ้าทรงสอนให้ทำทานเราก็จะทำทานนี้ก็ทาได้หลายรูปแบบด้วยกันถ้าเรามีเงินทองเข้าของเหลือเฟือ่อเหลือกินเหลือใช้เราก็เอามาแบ่งปันกันอย่างนี้ก็เรียกว่าวัตถุทานถ้าเราไม่มีเงินทอง แต่เรามีวิชาความรู้ mm hmm. เราก็เอามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น mm hmm. เช่นสอนเด็กนักเรียนสอนสอนพิเศษ mm hmm. เด็กเวลาเรียนหนังสือแล้วต้องมาเสริมความรู้ที่นอกโรงเรียนแทนที่เราจะเก็บสตางเขาเราก็สอนให้ฟรีถ้าเราสอนให้ฟรีก็เท่ากับเราทำทานเราได้ทำทานเหมือนกับเราได้ ใส่บาตรเหมือนกับเราได้ถวายสังฆทานเพราะก็เป็นทานเหมือนกันทําแล้วก็จะทําทให้เรามีความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันหรือถ้าเรามีธรรมะเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุของความสุขรู้เหตุของความทุกข์เวลามีใครมาปรับทุกข์กับเราเราก็สอนธรรมะให้กับเขา พอเขาได้ธรรมะไปเขาก็ไปทําให้ใจของเขาหายจากความทุกข์ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นธรรมทานการให้ธรรมะนี้เป็นการให้ที่สูงสุดมีคุณค่ามากกว่าการให้เข้าของเงินทองมีคุณค่ากว่าการให้วิชาความรู้ต่างๆ พราะข้าวของเงินทองนี้เอามาดับความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นแต่ความทุกข์ทางใจนี้ดับไม่ได้ด้วยข้าวของเงินทองเช่นเดียวกับความรู้ทางโลกก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ทางใจได้ต้องเป็นความรู้ทางธรรมเท่านั้นคือต้องเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็ความทุกข์ทางร่างกายเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ทางใจก็ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเหมือนกับน้ำในตุ่มกับน้ำในสว์ปริมาณต่างกันมากความทุกข์ทางร่างกายก็เปลี่ยนแค่ระดับตุ่มน้ำแต่ความทุกข์ทางใจนี้ระดับสว์น้ำทุกข์มากดังนั้นผู้ใดที่ได้รับธรรมะไปดับความทุกข์ทางใจ ก็จะได้ดับความทุกข์ที่นหนักหนาสาหัสเนี่ยการใหยธรรมะพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าเป็นการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวงแต่การจะให้ธรรมะได้นี้เราก็ต้องมีธรรมะก่อนการที่จะมีธรรมะได้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมก่อนเราต้องศึกษา แล้วนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก่อนอย่างที่พวกเรากําลังทํากันอยู่ในขณะนี้เราศึกษาแล้วเราก็มาปฏิบัติพระพุทธเจ้าบอกให้หมันทําทานเราก็พยายามทําทานกันให้หมันรักษาศีลเราก็พยายามรักษาศีลกันให้หมันภาวนาฝึกทําใจให้สงบฝึกนั่งสมาธิเราก็พยายามทํากัน ให้สอนใจให้ฉลาดเราก็พยายามสอนใจด้วยการศึกษาด้วยการพิจารณาธรรมะต่างๆถ้าเราทําอย่างนี้ไปต่อไปเราก็จะมีธรรมะอยู่ในใจของเราแล้วพอเรามีธรรมะเราก็จะได้เอาธรรมะมาแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ น, นําเอาธรรมะมาแจกจ่ายให้กับพวกเราทั้งหลายนี่เอง แต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเอาธรรมะมาแจกจ่ายได้พระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจของพระองค์ก่อนด้วยการทาทานการทาทานของพระพุทธเจ้าทําอย่างไรก็ทรงสละราชสมบัติสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่นอกกายแล้วก็ออกไปรักษาศีลออกไปบวชทาทานแล้วก็รักษาศีล รักษาศีลแล้วก็หาที่สงบนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบก็ศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับใจว่าทําไมใจถึงต้องทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําไมถึงต้องสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พอพิจารณาไปก็จะให้เกิดปัญญาเกิดธรรมะขึ้นมาทําให้รู้ว่า ความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากที่ไปหลงชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่ชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาชอบก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆเวลาไม่ชอบก็อยากจะให้หายไปเร็วๆแต่ของพวกนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาเราอยู่กับเราไปนานๆไม่ได้เช่นคนที่เรารักอยากจะให้อยู่กับนานๆไปไม่ได้ พ่อแม่ช้าก็เลยวสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปอยากจะให้สิ่งที่เราไม่รักให้หายไปเร็วๆก็หายไม่ได้เช่นอยากจะให้นี่สิ่งนี่หายไปเร็วๆมันก็ไม่ยอมหายพอมันไม่หายเราก็เลยต้องทุกกับนี่สิ่ทุกกับคนที่เรารักพราเขาหายไปสิ่งที่อยากจะให้หายกับไม่หายสิ่งที่อยากจะให้หายกับไม่หาย เพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเรานี่คือปัญญาที่เรียกว่าธรรมะพอเราเห็นด้วยด้วยการปฏิบัติแล้วเราทำใจปล่อยวางได้แล้วยอมรับความจริงว่าสิ่งที่จะอยากให้หายไม่หายก็อยู่กับเขาไปเมื่อยังเป็นนี่อยู่ก็เป็นต่อไปมีปัญญาใช้ก็ใช้ไป ไม่มีปัญญาก็อยู่กับมันไปอย่างมากก็ติดคุกติดตารางอย่างมากก็ให้เขายึดทรัพย์ไปถ้ายึดทรัพย์ได้ก็ดีจะได้ไปบวชได้เรียกว่าได้เสียสละได้ทำทานอันยิ่งใหญ่ไปถ้ามีปัญญาแล้วจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะว่าเรื่องราวต่างๆนี้ไม่มีก็ได้ไม่มีก็ดีกว่าเนี่ยพวกเราทุกวันนี้ทุกข์กับ ทุกข์กับเรื่องอะไรก็ทุกข์กับเรื่องที่เรามีนี้เองถ้าเราไม่มีแล้วเราก็จะไม่มีทุกข์มีเงินก็ต้องทุกข์กับเรื่องเงินมีหนี้ก็ต้องทุกข์กับเรื่องหนี้มีสามีมีภรรยามีบุตรมีทิดาก็ต้องทุกข์กับเรื่องเราเหล่านี้คนที่ไม่มีไม่เห็นเขาจะต้องมาทุกข์เลยดังนั้นถ้าเราต้องสูญเสียอะไรไปอย่าเสียดายอย่าเสียใจให้มันเสียไปให้มันหมดไป แล้วเราจะสบายกว่าการมีสิ่งต่างๆนี่คือปัญญาถ้าเราปฏิบัติไปเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมีแต่จะให้ความทุกข์กับเราอย่างแท้จริงถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่อยากได้อะไรไม่ยินดีอยากจะมีอะไรอยู่โลว์ปเปล่าๆนี้แม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่อยากจะมีร่างกายนี้มันจะตายก็ยินดีให้มันตาย เพราะว่าใจไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้เนี่ยใจของพระพุทธเจ้าใจของพระหลันตอนนี้ก็ไม่มีร่างกายไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีสามีไม่มีภรรยาแต่ท่านมีความสุขยิ่งใหญ่กว่าพวกเราท่านมีปรมังสุขขังท่านมีน้าในสระเต็มเปลี่ยนพวกเรามีแต่น้าในตุ้ที่คอยรั่วอยู่เรื่อยๆต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆ เติมเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็พองไปต้องเติมอยู่เรื่อยๆนี่หละคือเรื่องของการที่เราจะได้ประโยชน์ถ้าเราได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเรานาไปปฏิบัติเราก็จะได้ปรมังสุขขังได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่และเราจะได้ดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจ ของเราให้หมดไปได้จึงขอให้พวกเราพยายามเพียรเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะได้มีแต่ความสุขเราจะได้ดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีราตนาไตรแลกบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขแลกความเจริญคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกพยัยนตนตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากัรเธอ